ทุกคนถ้าแค่ตั้งใจไว้เพื่อนิพานใช่หมครัครับคือถ้าบังเอิญเราบรรลุนิพานไม่ได้มันจํำจะต้องเกิดใหม่ครับแล้วก็ขอให้รวยอย่างาาาอันนั้นอนนั้นเอมนบรกาศเศรษฐีค ร, รับ